สานีวิทยุครองกลัว9่าวสตอร์เอฟเ็ม้กาพเจาพระมหาภัยบู์อะพิปุนโนจากวัดป่าดอยนัยโสกมาพบกับธรมุฟังอยู่เป็นประจำทุกวันนำสิ่งที่ได้ฟังมาให้ได้ฟังกันทำสิ่งที่ได้ฟังกันแล้วนั้นให้มีความแจ่มแจ้งอันนี้เป็นหน้าที่ของสมณะที่พระพุทธเจ้า บอกว่าให้สมณะทำต่อกระหรหัดหรือว่าต่อสมณะด้วยกันเพื่อให้สัตธรรมนั้นตั้งอยู่ได้เพื่อให้เป็นประโยชน์กับผู้ที่ได้ฟังในการฟังนี้ข้าพเจ้าก็จะนำตัวแม่บทเรื่องราวต่างๆในพระไตรปิฎกมาอ่านบ้างโดยบทเพียนชนะหรือมาทำความเข้าใจในเรื่องของอัตถะผู้ที่ฟังธรรมะอยู่เรื่อย มีจิตใจที่น้อมมาในการฟังธรรมเนี่ยก็จะมีนิสัยอย่างหนึ่งตั้งบุฟังพระพุริชาบอกบอกว่าจะมีนิสัยในการที่จะเข้าหาสมณนะมีนิสัยในการที่จะต้องการเห็นพระอริยเจ้าฉลาดในธรรมของพระอริยเจ้าคบกับพระอริยเจ้าหรือว่าได้เห็นสัพบรุษฉลาดในธรรมของสัพบรุษแล้วก็คบกับสบัพบรุษคำว่าสัพบุรุษก็ตามหรือว่าพระอริยเจ้าก็ตามเนี่หมายถึงคนที่มีความดี คือไม่ใช่หมายถึงแค่เฉพาะรูปร่างดูภายนอกถ้าเป็นพระก็โกนผม่มเหลืองถ้าเป็นกราวาสก็นุ่งขาวอยู่วัดไม่ใช่ดูแค่นั้นเพราะว่าความเป็นภิกษุเป็นสมณะเป็นผู้ประพฤติดีประพฤติชอบเนี่ยไม่ได้อยู่แค่ที่ภายนอกตนเคยตรัสไปดัมมวั ง, งว่าถ้าอยู่แค่ผ้ากาสายะหรือการโกนผมเนี่ยก็ไปโนผมเด็กทารก เอาผ้ายาะทน้ําฝาดห่มตัวชะมันจะมีความเป็นพระไหมแต่ความเป็นภิกษุจริงๆเนี่ยหรือเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบประพฤติดีเนี่ยอยู่ที่ศีลอยู่ที่ศีลในเรื่องของศีลหรือวินัยนั้นบะุฟังเมื่อวันก่อนนี้ข้าพเจ้าก็นําเรื่องของอาบัติปาราชิกมาให้ท่านบุฟังได้ฟังในเรื่องต้นบัญญัติในปาราชิกข้อที่หนึ่งที่ว่า เว้นขาดจากการเสพไม่ถุนซึ่งสิขาบทหรืออาบัตในข้อนั้นเนี่ยเริ่มต้นมาจากท่านพระสุตินนะอันนี้มาให้ได้ฟังกันละเราก็ทําความเข้าใจแล้วด้วยเกี่ยวกับ ว, ว่าอาบัตนจะเพิ่มเติมตรงนี้อีกนิดนึงที่บอกว่าอาบัตเนี่ยแปล ว, ว่าต้องนั่นก็คือโดนกันแล้วคือล่วงเกินแล้วนั่นคือถ้าเส้นเขตแดนอยเวลาเล่นกีฬาเช่นบาสเกตบอล หรือว่าแบบเป็นตันอย่างเงี้ยถ้าคุณเอาลูกไปโดนเส้นนะคือกีฬาบางประเภทโดนเส้นแล้วมันถือว่าออกเลยกีฬาบางประเภทโดนเส้นก็ยังไม่เป็นไรหรือว่าต้องเกินขอบของเส้นออกไปเช่นฟุตบอลเป็นต้นอย่างเงี้ยออกไปครึ่งลูกแล้วยังไม่เป็นไรแต่ถ้าบาสเกตบอลหรือกีฬาประเภทอื่นๆบางอย่างโดนเส้นไม่ได้ถือว่าต้องละถือว่าละเมิดละถือว่าล่วงละเช่นเดียวกันในธรรมะไปไหนนี้ มีกรอบขอบเขตของศีลอยู่ถ้าออกนอกกรอบนี้ไม่ได้นะกรอบนี้หมายถึงว่าเป็นเส้นทางนั่นเองอย่างเราขับรถอยู่ในเลนของเราเนี่ยเราก็ไม่ออกไปนอกเลนถ้าโดนเลนนี่คือต้องละนี่คือสัค์คํานี้ที่แปลว่าอาบัตตรงนี้ทีนี้คําว่าอาบัตเนี่ยท่านผู้ฟังเป็นการระบุเฉยๆนะว่าคุณเลยเขตแล้วนะคุณล่วงละเมิดแล้วนะคุณเกินมาละอันนี้ไม่ใช่ว่าเป็นการลงโทษนะ ไม่ใช่การลงโทษคือในธรรมะในนี้เนี่ยทำฝังไม่ได้มีอาจยาไม่ได้มีศาสตราในคําสอนของพุทธะเนี่ยนะท่านเป็นธรรมราชาเนี่ยปกครองคนโดยธรรมไม่ใช้อาจยาคือการค่มคู่ออกกฎหมายว่าต้องทําหรือต้องไม่ทําไม่ได้ใช้ศาสตราคืออาวุธที่จะมากู่คนแต่ถ้าเธอไม่ทำํำฉันจะลงโทษเธออันนี้คือมีศาสตรามีอาจยา ไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่ยังบ้านเมืองเราเนี่ยมีกฎหมายกฎหมายอาญากฎหมายแพ่งมีการปรับมีการจําคุกพวกนี้อันนี้เขาเรียกว่าคืออาญาทํำไมถึงเรียกว่าอาญาเพราะว่ามีโทษกํากับเอาไว้มีโทษกํากับเอาไว้ว่ากฎหมายบอกให้คุณทําถ้าคุณไม่ทําคุณจะต้องถูกปรับเท่านี้อันนี้เป็นกฎหมายแพ่งถ้าคุณไม่ทําคุณจะต้องถูกจําคุกเท่านี้อันนี้เป็นกฎหมายอาญาหรือกฎหมายบอกว่าคุณห้ามทําสิ่งนี้ ถ้าคุณทำคุณจะถูกปรับเท่านี้ถ้าคุณทำคุณจะถูกจำคุกเท่านี้ก็แพงอาญาไปอันนี้คืออาญาในการฆ่าโทษเอาไว้แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จะเป็นผู้ที่บังคับใช้กฎหมายตำรวจนี่ก็มีปืนละ่ะแน่นอนก็มีสาราด้วยมีทั้งอาญาและสาราอันนี้คือในทางบ้านเมืองเป็นอย่างนี้แต่ในทางธรรมวินัยไม่ได้มีอาญาไม่ได้มีสาราเอาแล้วอาบัตินี่ ถ้าไม่เป็นการลงโทษแล้วหมายถึงอะไรก็หมายถึงการระบุว่าโทษเนี้มันหนักมากหรือหนักน้อยเท่าไหร่คุณล่วงละเมิดเนี่ยมันล่วงละเมิดเกินไปชนิดที่เรียกว่าแก้ไขไม่ได้แล้วอันนี้คืออาบัติปราชิกที่พระเจ้ากําลังจะนํามาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเนี่ยล่วงละเมิดอย่างนี้แก้ไม่ได้ถ้าล่วงละเมิดอย่างอื่นเออนี้พอแก้ได้แต่ที่แก้ไม่ได้เลยก็เรียกว่าอัตเตกิชาร์ละเป็นอาบัตชนิดที่แบบ โอ้พระแล้วเสียเลยจบเลยถ้าคุณเกินเขตนี้ออกไปนะคุณจบเลยแล้วกลับมาเป็นพระอีกไม่ได้แต่ถ้าคุณเกินเขตอื่นๆ อ, อย่เช่นถ้าเกินเขตของสังขารที่เศษเกินเขตของปาจิตตีเกินเขตของทุกกฎหรือเรื่องบาจากับทุพพาสิทิ์เนี่ยจะมีชื่อของขอบเขตของศีลตรงนี้อยู่ถ้าคุณเกินเขตพวกนี้ไปวิธีการแก้ก็จะแตกต่างกันไปแต่สังขารที่เศษก็จะแก้กแบบหนึ่ง ถาปาจิตติพวกนิสกีก็ต้องมีการสละของก่อนแล้วค่อยแก้ได้ถ้าปาจิตติเฉยๆเลยเขียนนี่มาอันนี้ก็แก้อีกแบบหนึ่งก็จะมีความแตกต่างกันในกระบวนการวิธีการแก่ซึ่งกระบวนการวิธีการแก้นั้นก็คือปรับให้ถูกนั่นเองไม่ได้ว่าเป็นการลงโทษถึงแม้ว่าสังฆาธิเศษเนี่ยเหมือนกับว่าจะต้องมีการไปติดคุกพระอย่างนี้นะเพราะว่าให้อยู่กรรมอยู่อะไรเนะี่ยนั่นก็เป็นลักษณะการที่ให้อยู่เดียวเดียวลเรน เพืให้มีการาใครได้กลัวมิจารณาตัวเองว่าเอ๊ะฉันดาผิดอย่างเงี้มันหนักนะต้องทบทนตัวเองให้มีเวลาแก้ไขตัวเองตรงนี้ น, นี่ก็เรียกอยู่กรรมอยู่6วันอย่างเี้เป็นต้นแต่ซึ่งพอมีระบุระดับของความผิดเนี่ยทำให้คนมักไปเปรียบเทียบว่าโอ้บาราชีเท่ากับโทษประหารสังกายที่เศษเท่ากับโทษติดคุกหรืออบาบัติอื่นๆเนี่ยเท่ากับโทษปรับปรับหน้าปรับน้อยกว่ากันไปอันนี้คือเปรียบเทียบให้ฟังเฉยๆแต่ไม่ใช่หมายความว่า การล่วงละเมิดตามระดับต่างๆเนี้เป็นการลงโทษทีนี้กลับมาที่ประเด็นปราชิกที่ข้าพเจ้าได้นำมาเล่าให้สมุฟังฟังละเมื่อวานนี้เกี่ยวกับเรื่องของปราชิกในข้อที่หนึ่งคือท่านพระสุตินนะได้มีการเสพเมตุนขึ้นเนี่ยก็จึงมีการบัญญัติสิกขาบทข้อนี้ขึ้นทีนี้มาถึงในข้อที่สองสมุฟังคือเรื่องของการที่เอาทรัพย์อันจ้าของไม่ได้ให้เรื่องเดิมตรงนี้คือพระพุทธเจ้าตานนั้นอยู่ที่ เขากิจกุดเมืองราชกฤตในภิกษุทต้องลายก็จําปัญญาอยู่ในทีต่ต่างๆในเมืองราชกฤตและมีพระรูปหนึ่งชื่อท่านพระธนิยะพระธนิยะนี้ก็จําปรญญาอยู่ที่ภูเขาอีสิกิลิก็ใกล้ๆกันกันกบภูเขากิจกุดนั่นแหละท่านพระธนิยะนี่อยู่ที่เชิงเขาอีสิกิลิถ้าเราเดินจากภูเขากิจกุดลงมาเนี่ยก็จะมองเห็นเชิงเขาอีสิกิลิเลย ดังปรากว่าท่านอยู่จำพรรษาที่นั่นในสมัยนั้นเนี่ยพระก็จะอยู่กันด้วยการเอาย้าเอาไม้นะมามุงมุงกันมาประกอบกันเป็นกุฏิที่พักพอเพื่อที่จะกันฝนกันแดดได้ในช่วงเวลาพรรษาพอออกพรรษาแล้วก็จะรื้อเอาเจ้าย้ามุงแล้วก็ไม้เนี่ยเอาไปเก็บเอาไว้แล้วตัวเองก็พากันหลีกไป ในที่อื่นๆทีนี้ท่านพระธนิยะเนี่ยท่านอยู่ที่นั่นเลยนั่นคือหมายถึงไม่ได้อยู่เฉพาะพรรษาสามเดือนสี่เดือนไม่ได้อยู่แค่นั้นแต่อยู่ทั้งฤ ด, ดูฝนฤ ด, ดูหนาวแล้วก็ฤดูร้อนด้วยท่านก็อยู่ที่นั่นตลอดแล้วปรากฏว่ามีวันหนึ่งท่านก็ไปบินตาบาทไปบินตาบาตแล้วปรากฏว่าหมู่เพื่อนอะไรต่างๆเขาเก็บกุฏิของตัวเองเนี่ยที่เป็นหญ้าเป็นไม้มามบุงเนี่ย เมื่อตั้งแต่เมื่อวานแล้วตัวเองไม่ไปกับเขาใช่ไหมอยู่คนเดียวนี่ก็เหลือเรือนเหลือกุฏิอยู่หลังเดี่ยวในคนที่ทํางานในวัดจริงๆแล้วสมัยนั้นก็คืออยู่ในป่านั่นแหละคนที่อยู่ป่าเนี่ยเขามาเก็บข้าวเก็บของอะไรเอาเขาเห็นว่าเอากุฏิหลังนี้เหลืออยู่เขาก็เลยช่วยรื้อให้ตะบูฟังแล้วก็เอาหลังคาเอาญ่าเอาไม่ายรื้อมาเก็บเอาไว้ท่านพระธิตินยะกลับจากบินดบาบัดอา้าวกุฏิชั้นหายไปไหนเนี่ยก็เลยมาประกอบใหม่ ฉันยังไม่ไปกับเขาฉันจะอยู่ที่นิยุก็เลยเอาญ่าไมา้ต่างๆมาประกอบกันเหมือนเดิมแต่มันรุ่งขึ้นก็ไปบินทบาดอีกป๋าก็ต้องกินข้าวทุกวันใช่ไหมท่านก็ไปบินตบาดพวกคนงานที่เป็นคนหาหญ้าคนหาฟืนอะไรต่างๆเอาก็ไม่เห็นกุติของท่านอีกด้วยความหวังดีแต่บังก็ช่วยเรื้อรังเก็บหญ้าเก็บไม้เอาไว้ที่บริเวณหนึ่งท่านพราธณียะกลับมาจากบินตาบาดอา้าวกุติฉันหายไปไหนอีก ในครั้งที่สอง น, นะเป็นอย่างเงี้ยสามรอบตรรมูุฟังเป็นอย่างเงี้ยสามรอบกลับมาที่ไรมันเศร้าใจนะธรรมบุฟังกลับมาเนี่ยบ้านตัวเองหายไปก่ ด, ดูล้กันกุฏิที่ฉันอยู่มาสามเดือนอุว์ประกอบขึ้นมานี่ก็หายไปอีกแล้วทำให้ท่านรัธนียาเนี่ยก็มีความคิดว่าเออย่างนี้มันไม่เวิร์ก น, นะเป็นอย่างงี้ตั้งสามรอบแล้วเอ า, อางี้เราสร้างกุฏิอะไรที่มันแบบถามวานซะหน่อยก็แล้วกัน คือตอนนั้นพระพุทธเจ้าก็อนุญาตเรื่องของกุฏิละที่พักละคือไม่ได้ว่าอยู่โคนไม้อย่างเดียวแต่ว่าอนุญาตเรื่องการทํากุฏิอะไรต่างๆแล้วลว่าให้รับได้ทีนี้ท่านพระธนิยะเนี่ยท่านเป็นผู้ที่มีทักษะในการใช้ดินก็นนคือท่านเป็นลูกของช่างหม้อก็มีทักษะในการใช้ดินที่จะปั้นหม้อนี่แหละท่านก็เลยมีความคิดว่าเอางี้ฉันจะเอาดินนี่แหละมาสร้างเป็นที่พักเป็นกุฏิ มันจะได้ถาวรหน่อยแล้วก็ใครมารือไม่ได้นะท่านก็มีความคิดว่างนก็เลยไปขุดดินมาทำกุฏนะิก่อขึ้นเป็นบ้านดินอย่างที่สมัยนี้เรามีทำกันนี่แหละแต่ว่าอินเดียเนี่ยเขาจะใช้อีกเทคนิคหนึ่งมีขี้วัวผสมด้วยก่อขึ้นมาในกำแพงไม่นาเท่าไหร่หลังการนี้ก็ทำได้เหมือนกันท่านก็เลยทำกุฏิด้วยตนเองนะด้วยตนเองเขาดินมาผสมก่อขึ้น มีโครงอะไรต่างๆทําเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็สุมไฟแต่สุมไฟนี่คือหมายถึงเผาให้มันมีความแข็งแรงให้มันไม่แตกง่ายเหมือนกับหม้อเนี่ยนะหม้อเนี่ยพอปั้นเสร็จเรียบร้อยเขาก็ต้องออกไปเผาให้มันมีความแกร่งขึ้นมาท่านพระตนัญญาเนี่ยด้วยทักษะต่างๆที่ท่านมีมาด้วยความเป็นลูกช่างหม้อก็กุติดินด้วยตัวเองแล้วก็เผาขึ้นมาแมมมันก็สวยงามปริง้งเลยสีแดงสวยงาม เหมือนกับหม้อเนี่ยตอนแรกมันก็เป็นสีดินดิบๆเดิมๆเอาไปเผามันสุก ข, ขึ้นมันก็แดงระเรื่อขึ้นมามีสีเหมือนปีกแมลงค่อมทองเวลาลมพัดมาก็จะมีเสียงเหมือนกระดึงกระดึงก็คือไอ้ที่มันห้อยคอควายหรือบัวเนี่ยถั้ามดวังเขาจะมีกระดึงที่เหมือนกับเป็นกกกกห้อยคออยู่จะเป็นบางทีก็ใช้กระดิ่ง ถ้าเป็นกระดึงนี่ก็จะทําจากไม้มันก็จะเคาะโปกๆบ่งโปงเพื่อรู้ว่าสัตว์นี่มันเดินไปถึงไหนแล้วเนี่ยนะอันนี้เป็นลักษณะของกระดึงหรือว่ากระดิ่งกุฏิของท่านเนี่ยพอทําเสร็จแล้วเนี่ยเวลาลมพัดมามันก็จะมีเสียงเหมือนกระดึงโดยความที่อาจจะมีอะไรห้อยอยู่ภายนอกมันกระทบกันตีตัวกุฏิก็เป็นเสียงกังวานดังขึ้นมาทีนี้พระพุทธเจ้าตอนที่ท่านเสด็จลงมาจากเขาขกิสกูดเนี่ย ก็จะมองเห็นที่ เ, เชิงเกาอิสิกิริก็เห็นกุฏิของท่านพระธนิยะนี่แหละมีสีแดงรามขึ้นมาแล้วก็เลยถามภิกษุว่าเอ้ยนั่นอะไร น, น, น่าดูชมสีเหมือนปีกแมลงค่อมทองนี่คือสีแดงเรื่อเรนิดหนึ่งภิกษุตั้งหลายก็บอกว่าอานะ๋อนั่นเป็นกุฏิของพระธนิยะเอาดินมาสร้างเป็นกุฏิด้วยมือของตนพระพุทธเจ้าพอได้ฟังดังนั้นแต่บูฟังก็ติเตียนขึ้นมาละว่าอา้าว อากุติมาสร้างด้วยมือตนเองเนี่ยนะอะมันก็ต้องไปขุดดินมันก็เป็นการทําลายชีวิตาศาสตร์แต่เป็นการเบียดเบียนกันโองี้ไม่ดีไม่ได้แล้วก็จึงสั่งให้ทํำลายกุฏินั้นเสียเพราะว่ามันมันผิดหลักพระเนี่ยก็จึงมีกฎอยู่ข้อหนึ่งว่าห้ามอยู่กุฏิดินนี่จะมีกฎระเบียบข้อนี้เลยคือข้อนี้เพราะว่าถ้าสร้างกุฏิที่ทําด้วยดินด้วยมือของตนเนี่ยอันนี้ไม่ได้ เป็นเหมือนกับการทำลายชีวิตสัตว์นื่อเพราะเราต้องไปขุดดินเองพอพระพุทธเจ้าสั่งให้ทุบกุฏิดินนี่ยภิกษุทั้งหลายก็กรูกันไปจัดการให้เลยท่านพระธนิยะพอมาถึงอา้าท่านจะมาทำอะไรจะมาทุบกุฏิเอา้าทุบทำไมพระพุทธเจ้าสั่งพระธนิยะก็เอา้าพระพุทธเจ้าสั่งเหรออา้าวทุบก็ทุบนะโดยยังไม่ได้วิเคราะห์ให้รอบครอบแต่เราวังว่าที่ให้ทุบเนี่ยเพราะอะไรเพียงแค่ทราบว่าเอางั้นห้ามทำกุฏิดิน แต่จริงๆประเด็นของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือห้ามทำกุฏิดินด้วยมือของตนนนี่ท่านระบุไปชัดเจนเลยว่าการทํากุฏิดินด้วยมือของตนเนี่ยห้ามทำก็เลยประกาศอาบัติไว้วันนี้ก็เป็นขอบเขตหนึ่งนะคุณห้ามเกินตรงนี้ขอบเขตตรงนี้คุณห้ามต้องถ้าต้องเป็นอาบัตก็เรียกว่าถูกต้องแล้วคําว่าถูกต้องนี่ไม่ใช่ว่ามันใช้งานได้นะถูกต้องเนี่ยคืออาบัตคือละเมิดแล้วเกินแล้วพอท่านพระธนิยะ 4รอบเป็นตะมุวังกุติไม้กุติหญ้าของตนสมรอบถูกลื้ไปโดยพวกคนหาหญ้าคนหาไม้ในป่ากุติที่อุส่ศาสตร์สร้างด้วยมือตนเป็นกุติดินใช้ทักษะของความเป็นลูกช่างหม้อทำขึ้นมาก็ถูกสั่งทูปิกสี่รอบแล้วทำยังไงเอ า, อางี้แล้วกันเรารู้จักพวกพนักงานเจ้าหน้าที่ป่าไม้แลรู้จักเจ้าหน้าที่ป่าไม้เนี่ยก็เลย ไปขอเจ้าพนักงานที่ดูแลป่าไม้เนี่ยเพื่อที่จะเอาไม้มาทำกุฏิก็เล่าเรื่องราวให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ฟังแต่เจ้าหน้าที่ป่าไม้นี่ทราบเรื่องแล้วโอ้โหท่านถูกรื้กกุฏิไปตั้งสามครั้งแล้วก็ยังถูกสั่งทำลายอีกครั้งหนึ่งแหมน่าให้ใจจริงๆแต่ว่าไม้ที่จะสำหรับถวายพระกุญเจเนี่ยไม่มีหรอกมีแต่ไม้ของหลวงที่เก็บใบซ่อมแซมแปลงพระนคร เวลาที่เกิดศึกสงครามหรือว่ามีปัญหาอะไรเนี่ยเขาจะเอาไม้จุดเนี้ยไปเสริมเติมอย่เช่นบางทีกำแพงพระ น, นครถูกฆ่าศึกมารุกรานมาตีใส่มีรูโบจะเป็นต้องใช้ไม้อันนี้เป็นไม้ที่เขาจะเก็บไว้ในเวลาที่เหมาะสมตรงนี้อันนี้เป็นหลักการการรบในธรรมฟังซึ่งเหมือนกับหลักการในการป้องกันเมืองของเราเนี่ยเมืองของเราเนี่ยจะต้องมีหญ้าไม้และน้ําสั่งสมไว้เป็นนั้นมากเมืองกายก็เหมือนกัน หญ่าไม้และน้ําเนี่ยประเียวเหมือนกับชานที่หนึ่งทีนี้ไม้จุดนี้ที่เขาจะเก็บไว้ส่อมแซมพระนครเวลาที่เกิดศึกสงครามเนี่ยก็เก็บไว้ตรงจุดนี้นะเป็นไม้ที่ให้ไม่ได้เจ้าหน้าทีก็บอกว่าแต่ถ้าแปลว่าพระราชาอนุญาตก็เอาไปได้นะคําพูดตรงนี้ทําให้ท่านระธนียาเนี่ยก็คิดว่าเอา้าก็พระราชาอนุญาตแล้วนะเจาะ้าพนักงานป่าไม้ตรงนั้นท่บุฟังก็มีความคิดว่าเอา้าถ้าอนุญาตแล้วก็ ไม่ไม่น่าจะมีปัญหนานะเพราะว่าพระก็ไม่น่าจะพูดโกหกนะเป็นคนสงบเสงเเหน่ง ม, มีฮิริโอตัปะพูดจริงมีศีลมีกัลยาณธรรมเรายิ่งพระเจ้าพิมพิสารนี่ก็นับถือคําสอนของพุทธะนับถือศาสนาพูธด้วยถ้าท่านว่าอย่างนี้ก็เอาไปก็แล้วกันแต่ท่านพระธนิยะก็เลยให้จัดการให้คนเนี่ยมาช่วยกันขนไม้ไปนะั่สร้างกุฏิขึ้นนั้นก็อยู่สบายละมีกุฏิไม้อย่างดีแนะใครมาลื้อไม่ได้ละทีนี้ ท่นประตเนียก็สบายใจไปทีนี้ในสมัยต่อมามีผู้ตรวจราชการตระบูฟังชื่อวัสการาพราวัสการาพราเป็นอมาดในมครัฐมาตรวจราชการไหนมาตรวจดูว่าอาวไม้ในคลังหลวงมีกี่แผน่นไหนอ้าวนาับก็เลยพบว่าอ้าวไม้หายไปไหนจเจ้าพนัก ง, งานป่าไม้คุณมีหน้าที่เก็บไม้ของหลวงเอาไว้ในเวลาที่มีภัยซ่อมแซมแปลงพระนคร แล้วตอนนี้ไม้หายไปไหนส่วนหนึ่งก็จะเอาเรื่องกับเจ้าพนัก ง, งานรักษาป่าไม้ตรงนี้แหละพนัก ง, งานรักษาป่าไม้นี่ก็อ้างว่าเอา้าก็มีพระมาเอาไปพระเจ้าแผ่นดินพระราชทานให้กับพระชื่อธนิยะแล้วแต่ว่าในบัญชีไม่มีตะบูฟังบัญชีไม่ได้มีระบุเอาไว้ถ้าพระราชาสั่งจะมีเจ้าพนัก ง, งานบัญชีมาตรวจตรานับให้เรียบร้อยจัดการนับจํานวนออกไปจากในบัญชี แต่ว่านี้บัญชียังมีอยู่แล้วทําไมของไม่มีก็เลยจับกลุ่มตัวไปเลยตำมวั ง, งให้พระราชาพิพากษาละ่ะจะตัดสินคดีความกันละเพราะว่ามีความผิดเกิดขึ้นเห็นกันแจมแจ้งแดงแจ๋มีหลักฐานขามือใช่ไหมก็จับได้สันทีในระหว่างทางที่เดินไปในพระราชวังเพื่อจะให้พระราชาตัดสินคดีความเนี่ยพระธนียก็เห็นบดีแต่ว่าเอ้าทําไมเจ้าพนักงานป่าไม้ถูกกลุ่มตัวไปก็เลยเข้าไปสอบถาม นายเจ้าพนักงานป่าไม้ก็บอกว่าโอ้ยท่านช่วยหน่อยเถอะท่านต้องมาด้วยนะไม่งั้นต้องถูกประหารแน่นอนวันเนี้ยพระติญยาก็ไปด้วยธรมวั ง, งพอไปอยู่ต่อนหน้าราชบัลลังก์ในที่พระราชาจะเสด็จออกมาเพื่อพิจารณาความเนี่ยก็มีการสอบสวนกันแต่ว่าท่านไปเอาไม้ตอนไหนอันนี้ให้ไปยังไงก็แจ้งความอย่างที่เล่าให้ฟังนี้นะพอท่านพระทิญยบอกว่าก็พระราชาเนี่ยให้แล้ว นัพระเจ้าพิมพิสารก็ระลึกไม่ได้เอ๊ะไม้ของหลวงที่เก็บไว้ซ่อมแซมแปลงพระนครเมื่อคราวมีภัยคาวามจําเป็นเนี่ยให้ไปตอนไหนจําไม่ได้เลย น, นี้พระเจ้าพิมพิสารพูดนะจำไม่ได้อาจจะเป็นเพราะมีกรณียากิจมากหรืออะไรไหนพระคุณเจ้าช่วยเตือนความจําให้โยมหน่อยว่าโยมเนี่ยให้ไปตอนไหนพระเจ้าพิมพิสารกล่าวขึ้นนพระธนิยะก็เลยบอกว่า อาก็ตอนที่พระองค์ถลิงถวันราชสมบัติใหม่ๆขึ้นครองราชใหม่ๆเนี่ยตอนนั้นมีการเปล่งวาจาบอกว่าขอให้หญ้าไม้และน้ําแก่สมณพราหมณ์ทั้งหมดนะขอสมณพราหมณ์ทั้งหมดได้จงใช้หญ้าไม้และน้ําที่อยู่ในดินแดนของข้าพระองค์นะซึ่งคําพูดตรงนี้ท่านบุฟังเป็นคําปฏิญญาที่เขาจะใช้สําหรับพระมหากษัตริย์เวลาขึ้นครองราชจะต้องมีการปฏิญาณต้ น, ตน คำตรงนี้เป็นเป็นส่วนหนึ่งคำพูดของคำตรงนั้นนะซึ่งพระเจ้าพิมพิสารพอได้ยินตรงนี้ตะบูฟังอา้าวหญ้าไม้น้ําเนี่ยมันคือทั่วไปในดินแดนที่ไม่มีเจ้าของแต่ไม้เนี่ยมีเจ้าของที่เขาจะหวงแหนไว้ในเวลาที่ต้องการซ่อมแซมแปลงพระนครหญ้าไม้นั้นคือถ้าไม่มีเจ้าของก็ออาไปได้ไม่จําเป็นต้องมาข อ, อนั้นให้กับสมณพราหมณ์ทั่วไปรัฐประชาชนไม่ได้นะ เพราะว่าสมณพราหมณ์ทั่วไปเนี่ยเขามีความละอายคือมีฮิริโอตปามีความระมัดระวังใช้ของแต่น้อยย่าไม้พูกนั้นจะอาไปก็ไม่มีปัญหามันเป็นของที่ไม่มีใครจับจองเป็นของอยู่ในป่าแต่ว่าไม้นี้เนี่ยมันเป็นของหลวงเป็นของที่เขาจะใช้ซ่อมแซมแปลงพระนครตามกฎบนเทียนบ้านเนี่ยคนที่ขโมยไปเนี่ยต้องถูกประหารหรือจองจําหรือเนรเทศโอ้โอเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นตะบูฟัง แต่ว่าพระราชาเนี่ยเป็นผู้ที่มีศรัทธาในทางคำสอนของพุท ธ, ธะล้วก็เลยบอกขึ้นว่าคราวเนี้ท่านพระธนิยะท่านรอดตัวนะเพราะว่าขนของท่านในขนของท่านก็คือความที่ท่านเป็นพระนั่นเองเป็นภิกษุนั่นจะเป็นคารวาสทั่วไปนี้ตายแล้วจะพระราชาจะสั่งประหารชีวิตแต่เพราะว่าเป็นภิกษุแล้วก็เลยยกโทษให้แล้วก็บอกว่าคราวหลังเนี่ยอย่าทําอย่างนี้อีกศัพท์ที่ท่านใช้ตรงนี้ก็คือรอดด้วยพระขน แต่ก็มีคาําอธิบายว่าขนเนี่ยคือหมายถึงว่าเหมือนกับมีแพะเนี่ยที่เรียงคิวกันมาที่จะถูกฆ่าเนื้อกินเนี่ยเข้าไปในโรงฆ่าสัตว์เนี่ยมีแพะตัวหนึ่งขนยาวมีคนคนหนึ่งเขาก็สังเกตเห็นว่าไอ้แพะที่จะมาเข้าโรงฆ่าสัตว์นี่ตัวนี้มันขนยาวนะน่าจะมีราคาเขาก็เลยเอาแพะขนสั้นตัวอื่นเนี่ยสตัวมาแลกกับแพะขนยาวตัวนี้แล้วก็เปรียบเทียบไม่ดูว่าขนเนี่ยทำให้เจ้าแพะตัวนี้มันรอดจากการฆ่าได้ แต่เช่นเดียวกันพระธนิยะรอดตัวมาได้ก็เพราะขนคือความที่ท่านมีเพศเป็นสมณะจึงรอดตัวมาได้แลต่พอข่าวนี้ทราบกันออกไปเนี่ยว่าคนเขาก็เพ่งโทษติเตียนว่าทำไมเอาไม้ที่ไว้่อมแซมแปลงพระนคร ม, มาใช่เลยต่างๆซึ่งมันไม่ใช่คนที่จะมีความละอายหรือมีความระมัดระวังจะทําได้ก็เพ่งโทษตีเตียนกันไปแต่พอเรื่องนี้ทราบถึงพระพุทธเจ้าก็เลยเรียกท่านพระธานิยะ มาสอบถามพอทราบความจริงแล้วก็ตําหนิตีเตียนเราว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่ะไม่เกิดความไม่เลื่อมใสอันนี้ก็เห็นได้ชัดเจนว่าพระเจ้าพิมพิสารนี่ก็เสื่อมความเลื่อมใสไปน่อยนึงนนแต่ก็ยังมีความศรัทธาที่ตั้งมั่นอยู่และในสมัยนั้นก็มีมหาอาหมาตย์ที่เคยเป็นผู้พิภากษามาบวชพระพุทธเจ้าก็เลยถามภิกษุรูปนั้นที่เป็นอดีตผู้พิภากษาเนี่ยว่าเวลาที่เขาพิจารณาความเนี่ยเขาจะสั่งจับสั่งประหารสั่งเนงรเทศเนี่ย ด้วยอัตราทรัพย์ที่ขโมยเนี่ยมีมูลค่าเท่าไหร่แต่ภิกษุรูปนั้นที่เป็นอดีตผู้วิพากษาก็บอกว่าอ๋อด้วยมูลค่าหนึบาทแลนะซึ่ง1บาทในสมัยนั้นก็มีมูลค่าเท่ากับ5มาศกทีนี้สมัยๆเนี่ย ม, มันเปลี่ยนแปลง ก, กันมาต่านผฟังเอหนึบาทสมัยนั้นมันเท่ากับเท่าไหร่ในสมัยนี้หรือ5มาศกเนี่ยมันเท่าไหร่กันแน่แล้วก็มีนักวิชาการที่เข้าไปคน้นคว้าศึกษาจากตำราต่างๆเนี่ยเขาก็ให้ข้อมูลท่านผู้ฟังบอกว่าถ้าเราเอาข้าวสารข้าสาบนะ เอาสีออกเรียบร้อยแล้วแต่ข้าวสารยี่สิบเม็ดข้าวสารยี่สเม็ดเนี่ยหนักเท่าไหร่เอาน้ําหนักเนี่ยไปเปรียบกับมูลค่าของทองคำนั่นก็คือเอาทองคํำที่มีน้ําหนักเท่ากับข้าวสารยี่สเมล็ดแล้วมีมูลค่าเท่าไหร่มูลค่าตรงนี้แหละคือมูลค่าของที่ขโมยถ้าขโมยขอมีมูลค่าเกินเท่านี้ น, น, นี่คือเป็นอาบัตที่เรียกว่าปาราชิกคือขาดจากความเป็นพระลวงละเมิอตรงนี้ไม่ได้ในสิกขาบทที่พระพุทธเจ้าบัญญัติในที่นี้ก็คือว่า ห้ามเอาทรัพย์ที่เจ้าของไม่ได้ให้แต่ถ้าทรัพย์นี้มีเจ้าของห่วงแหนแล้วขอไม่ได้ให้แล้วคุณเอาไปมูลค่าของเกินห้ามาศกตรงนี้คุณก็จะต้องขาดจากความเป็นพระหาสังวาสกันไม่ได้คืออยู่ร่วมกันไม่ได้แะบบ่พระพุทธเจ้าบัญญัติขึ้นตรงนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็มีพวกพระที่ขระพเาคิดว่าเป็นลักษณะของสีถนนชัยนะคือแบบแฉตะแบงเลี่ยงบาลีหาช่องกฎหมาย ทำผิดพระบุทชาบอกอย่างนี้ก็ดันไปขโมยของที่อยู่ในป่านั่นคือขิบบานพระบุทธจ้าบัญญัติอย่างนี้สําหรับของที่อยู่ในบ้านเท่านั้นในเขตดแดนบ้านถ้าเขตดแดนป่านี่เอาได้หมดก็ไม่ใช่อีกด้วยอาการในการขโมยเนี่ยก็ทั้งอยู่ในบ้านทั้งอยู่ในป่าไม่ใช่แค่ว่าทรัพย์สินเงินทองไม้เท่านั้นอยู่รวมของอื่นๆด้วยสัตว์มีชีวิตด้วยโคด้วยอะไรด้วยน้ําด้วยเหมือนกันแต่ถ้าน้ําอยู่ในคันนามีเจตนาว่าจะขโมย ทำลายคันนาออกน้ำไหลออกไปมีมูลค่าเกิน5มาศละอันนี้คือถือว่าขโมยเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นของทรัพย์สินสมบัติอะไรต่างๆด่านภาษีเนีลี่ยงภาษีทั้งผู้สั่งทั้งผู้ทํานี่ถ้ามีไถ่ยจิตนะไถยจิตเนี่ยคือจิตที่มีความคิดว่าจะลักเนี่ยมีความคิดว่าจะขโมยเนี่ยอันนี้จะเป็นอาบัติปาราชิกตันติหรือว่ามีคนมาฝากของเอาไว้ฝากเอาไว้แล้วมาขอคืน ไม่ให้ในการที่ไม่ให้คือเนี่ยแล้วมีจิตต้องการจะเอาเก็บไว้ใช้เองมีจิตคิดจะลักอันนี้ก็เป็นขโมยละตรงนี้เป็นเรื่องสําคัญแต่ระวับบงว่าไอ้จิตที่คิดจะลักเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญของข้อนี้เพราะว่าถ้าจิตไม่ได้คิดจะลักเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องของการขโมยนะบางทีเขาถามนําเอาท่านขโมยของผมไปหรือเนี่ยใช่แล้วผมเอาไปเอางั้นท่าเป็นปาราชิกแต่ว่าบางทีจิตของคนนั้นเนี่ยเขาไม่ได้คิดว่าจะขโมยเอาไป เขาแค่สำคัญว่าเป็นของฉันหรือว่าถือวิสาสะกันอันนี้ก็จะไม่เป็นนาบัพปาราชิกนะคือถือวิสาสะว่าเออเ น, นี่นเราจะเอาไปเก็บไว้ให้หรือจะถือแทนให้เอาไปจัดการให้อันนี้ถือวิสาสะกันหรือว่าสำคัญว่าของตนงเช่นพิกษุหยิบผ้าสลับพื้นกันไปอย่างเงี้ยพิษุรูปนึงมาดูเอา้าผ้าฉันหายไปไหนหรือแต่ผ้าของคนอื่นเออรูปที่เอาอไปนี่ปาราชิกแล้วมั้งแต่ถ้ารูปที่เอาไปก็สำคัญว่าไอ้นี่ของฉัน อันนี้ก็จะไม่เป็นไรแต่ถ้ารูปที่เอาไปนั้นคิดว่าจะขโมยเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นน้บัติพันดีของนั้นก็ต้องเป็นของที่มีเจ้าของเขาหวงอยู่ของสงฆ์นี่ก็เหมือนกันทั้งฝั่งคำว่าของสงฆ์เนี่ยคือหมายถึงฟูกของสงฆ์ต้นไม้ของสงฆ์ผลไม้ของสงฆ์พวกเนี้ยของสงฆ์นี่คือของหมู่เนี่ยคือพูดง่ายๆของที่อยู่ในวัดเขาซื้อมาให้วัดเนี่ยถ้าภิกษุรูปนั้นเอาไปด้วยจิตที่คิดว่าฉันจะต้องเอาฉันจะขโมยนะจิตแบบเนี้ย ก็ถือว่าเป็นอาบัตเหมือนกันนะล่วงอาบัตบาราชิกในกรณีแต่ถ้าทําด้วยถือวิสาสะอันนี้ก็ไม่มีปัญหาหรือถ้าทําด้วยจิตที่ไม่ใช่ไถ่ยจิตแล้วก็เพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการบางทีก็เอาไปก่อนยืมไปก่อนอย่างเงี้ยไม่มีปัญหาการยืมการถือวิสาสะการสําคัญว่าของตนหรือของที่คิดว่าเป็นของบางสกุลของบางสกุลเนี่ยก็คือของที่แบบไม่มีเจ้าของแล้วอยู่วางทิ้งเอาไว้อย่างเงี้ยอันนี้ก็จะไม่เป็นอาบัต เรื่องนี้ต้องพิจารณากันให้ละเอียดรอบคอบตั้งแต่ว่าโดยเฉพาะยิ่งอาบัติที่หนักขนาดนี้เนี่ยมันหมดจากความเป็นบราเนี่ยต้องละเอียดรอบคอบแต่ว่าผู้ที่ทํานั้นมีจิตคิดจารึกหรือมีไถยจิตหรือไม่ประเด็นมันคือตรงนี้ตั้งแต่ว่าแต่ถ้าผู้ทําเนี่ยเขายอมรับจริงๆแต่ว่าเขามีหรือไม่มีแต่คือบางคนมีไถยจิตแต่บอกว่าไม่มีอันนี้ก็ต้องดูพฤติกรรมด้วยแต่คือพฤติกรรมเนี่ยบางทีมันก็สอถึงเจตนาเหมือนกัน ปากอาจจะบอกว่าไม่มีแต่จริงๆเจตนามีดูพฤติกรรมแล้วเออมันก็น่าจะมีอันนี้ก็ต้องอยู่ที่หมู่มสงเนี่ยจะลงโทษหรือจัดการกันอย่างไรแลนะซึ่งหมู่สงที่จะจัดการทำตรงนี้ก็ต้องมีความเข้มแข็งนะเพื่อให้คนที่เขาไม่มีความละอายเป็นอารัจฉีเนี่ยอาฉีแปลว่าละอายอลรัจฉีคือผู้ที่ไม่ละอายเนี่ยเขได้มีความละอายนะในหมู่สงดีๆที่มีปริมาณมากเขาก็จะมีความละอายขึ้นมาแต่ถ้าหมู่สงไม่สามัคคีกัน มันก็ทําอะไรคนไม่ดีไม่ได้แต่เพราะคนไม่ดีเขาไม่ละอายอยู่แล้วว่าจะโก ห, กหรือไม่โกหกใช่ไหมก็ต้องช่วยกันจัดการตรงนี้แต่ว่าบางทีด้วยจิตที่คิดจะรักแล้วรักเอาไปแล้วเนี่ยบางทีก็ไม่เป็นอาบัติแต่ระวังไม่เป็นอาบัติขนาดปาราชิกเดี๋ยวเรื่องรามเคยมีอยู่นั่นะคือภิกษุรูปหนึ่งไปไหว้เจดีย์นะก็เดินทางมาไกลเนี่ยเหงื่อก็ออกอะไรก็ออกก็เลยถอดจีวรพาดไหลเอาไว้ แต่ตอนนั้นมีพระราชาองค์หนึ่งชื่ อ, อพระเจ้าพาติยราชใช่แต่มีพระเจ้าภาติยราชเนี่ยมาส ก, การบูชาเจดีย์พอดีอันนี้เรื่องเกิดมาในหลังสมยพุทธกาลแล้วนะภิกษุรูปนี้ก็ผ้าจีวรของตัวเองไว้ที่ไหล่โอ้คนมาเยอะแยะเลยตามกระบวนของพระราชามาเบียดเสียดสีกันตัวเองผ้าหลุดลงไปผ้าจากบ่าเนี่ยหลุดออกโดยที่ไม่รู้ตัวพอมารู้ตัวทีอา้าวผ้าฉันไหนไปไหน โอ้คนเยอะแบบนี้มันจะไปหาได้ไงเนี่ยโอ้ก็เลยคิดว่างั้นไม่เอาก็แล้วกันแต่ไม่เอาแล้วกันทิ้งไปแตะไม่สนใจผ้าที่จิตของเจ้าของเนี่ยคิดว่าทิ้งไปแล้วเนี่ยคือเป็นของทิ้งละไม่ได้มีใครห่วงแหน่ละแล้วมีภิกษุอีกรูปหนึ่งนํามาในเวลาที่คนเขาไปกันหมดแล้วเห็นผ้าผืนนี้ปรากฏว่าภิกษุรูปที่สองเนี่ยก็เลยหยิบผ้าผืนเนี้ยไปด้วยจิตคิดว่าเฮ้ยของใครไม่รู้ไปฉันจะเอาก่อนฉันจะลักก่อนแต่ด้วยจิตแบบนี้คือมีไตยจิตแล้วนะ คือถ้าภิกษุรูปที่สองเนี่ยเขาฝึกมาดีเนี่ยแล้วเขารักษาจิตของเขาได้ เ, เขาก็จะหยิบไปด้วยความคิดว่าเออนี่เป็นผ้าบังสุกุลอันนี้ก็จะไม่มีปัญหาหรือว่าหยิบไปด้วยความคิดว่าจะไปคืนเจ้าของอคืนเจ้าของนี่ก็คือจะไม่ได้ใช้ละ่ะถ้าคิดว่าจะเอาไปใช้ก็คือจะต้องคิดว่านี้เป็นบังสุกุลแต่ว่าบังสุกุลได้ไงเพราะว่าผ้ามันตัดมาอย่างดีเย็บอย่างดีใช่ไหมมันไม่ใช่ผ้าที่ใครจะมาที่นี่เป็นบังสุกุลก็เลยหยิบไปด้วยจิตที่คิดว่าจะลักเอานะเพราะกว่าพอทําอย่างนั้นนเี่ย ก็เลยมีความร้อนใจเกิดขึ้นว่าโอ้แต่ละฉันจะเป็นยังไงนี่ฉันเป็นเป็นอบัติปา ร, ราชีหรือเปล่าแล้วก็ด้วยความร้อนใจนั้นก็เลยไปปรึกษาพระวินัยทอนแต่เห็นไหมว่าพระรูปนี้เขามีความที่ละอาอยู่แต่มีฮิริโอตปะมีลัชชีอยู่ก็เลยเปิดเผยความผิดของตัวเองอันนี้ออกมานักับพระภิกษุที่ชื่อว่าจูลสุมาณเถระนะพระภิกษุรูปนี้พิจารณาเห็นสถานการณ์อย่างนี้แล้วเนี่ยก็เลยคิดว่าอืมพระรูปนี้ก็มีฮิริโอตปานะ มีความละอายอยู่เนี่ยเอางี้เรามาพิจารณาความกันแตนะ่อย่าเพิ่งตัดสินว่าเป็นอาบัติไม่เป็นอาบัติตนะ่เพราะว่าท่านลักมาเนี่ยมันเข้าข่ายละอยู่ที่ว่าผ้าปืนนี้มีเจ้าของหรือไม่แตนะ่ก็เลยไปสอบถามกันในวัดก็หาไม่เจอหรือ ว, ว่าผ้าของใครหายนตะ่กขย้ายวงกว้างออกไปอีกแตนะ่สืบทวนสอบถามกันมาดูนะวัดขนาดผ้าใครใช้ผ้าแบบไหนเรียกเจ้าตัวมาถามเนี่ยคือพิสูตรูปแรก ที่ทําผ้าตกตอนที่อยู่เจดีในสอบถามภิกษุรูปแรกนั้นว่าท่านยังมีความหวงแหนมีความเป็นเจ้าของอยู่หรือไม่ในถ้าภิกษุรูปแรกทําุฟัง rist. มีความคิดว่าฉันยังเป็นเจ้าของอยู่ในภิกษุรูปที่สองเนี่ยจะเป็นอาบัติปาราชิกทันทีแต่ภิกษุรูปแรกเนี่ยทอดใจทิ้งแล้วว่าเออฉันไม่เอาหรอกฉันทิ้งแล้วนะตั้งแต่ตอนที่อยู่เจดีละภิกษุรูปที่สองเนี่ยจึงไม่เป็นอาบัติปาราชิกแต่เป็นอาบัติอย่างอื่นที่เบาลงมา นะชื่อของอาบัตการต้องการละเมิดตรงนั้นชื่อว่าอาบัตทุ ก, กตะนะหรือว่าอาบัตทุกกฎซึ่งเป็นชื่อของอาบัตนะไม่ใช่ว่าอาบัตทุกข้อนนะั้โทษก็เบาลงมาไม่ถึงกับเป็นอาบัตปาราชิกเพราะฉะนั้นอาบัตในข้อที่สองเนี่ยทับบุฟังที่เกี่ยวกับการลักเนี่ยก็จะต้องพิจารณาให้รอบคอบนะให้รายละเอียดต่างๆันจะไปเหมารวมหมดไม่ได้แต่ถ้าบุคคลที่เราไปสอบสวนสอบทานนะั้นก็เป็นผู้ที่ไม่ละอายเป็นอรารัีคือผู้ที่ไม่มีความละอายเนี่ย ก็จะต้องแบบสอบสวนกันให้ละเอียดทุวนทีหลักฐานอะไรบางทีก็ต้องเอาหยิบ ม, มาดูอย่างเงี้ยนะเพื่อให้เกิดความรอบคอบอย่างในสมัยพุทธกาลเนี่ยมีภิกษุไปปล่อยหมูแต่หมูที่ติดมากับดักของนายพรานเนี่ยภิกษุนี้ด้วยจิตคิดจะักเนี่ยก็เลยไปเอาหมูออกจากกับดักของนายพรานเนืด้วยจิตแบบเนี้ยการกระทำตรงนั้นเนี่ยก็จึงเป็นปาราชิกแต่มีภิกษุอีกรูปหนึ่งเห็นหมูติดกับดักของนายพราน โดยคิดว่าโอ้น่าสงสารมันมน่าจะปล่อยมันให้เป็นอิสระไม่ปล่อยอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นอาบัติปาราชิกเรนนี้คือในทางธรร ม, มนะในธรรมวังแต่ในทางกฎหมายบ้านเมืองก็ว่ากันไปอีกส่วนหนึ่งแต่ว่าในทางธรรมะเนี่ยถ้าเจตนาของเขาบุคคลที่กระทำเนี่ยไม่ได้มีเจตนาในการที่จะรักมันก็ไม่เป็นอาบัติปาราชิกแต่ถ้ามีเจตนาก็ว่ากันไปตามเจตนาแบบไหนการการะทําอย่างไรอันนี้สําหรับพระภิกษุส่วนในทางกฎหมายบ้านเมือง แล้วก็ต้องบ้ากันไปตามอีกส่วนหนึ่งในเรื่องของอาบาตเนี่ยธรรมวังไม่ใช่ว่าเราจะไปเอามาเพ่งโทษตีเตียนคนอื่นแต่ว่าอาบาตนี้เป็นการที่จะเป็นเหมือนกับเป็นเครื่องมือที่บอกแต่ว่ามันละเมิดไหมมันเกินไปหรือยังนะเพื่อที่ใช้เรามีการตรวจสอบตัวเองแล้วก็ตรวจสอบกันเป็นหมู่กันนะจุดประสงค์นั้นก็คือเพื่อที่จะกําจัดสิ่งที่ไม่ดีออกไปแลนะไม่ใช่เป็นการที่จะเพ่งโทษทําลายกันแต่เป็นการที่จะทําให้สิ่งดีๆนั้น เกิดขึ้นในหมู่คณะคำว่าหมู่เนี่ยก็คือสงฆ์นั่นเองเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นภิกษุภิกษุณีอุบาสก อ, อุบาสิกาเนี่ยก็ต้องช่วยกันสอนส่อนดูแลแมีการตรวจสอบซึ่งกันและกันก็จะทำให้าศาสนาคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยตั้งอยู่ดารงอยู่ได้นานแต่วันนี้ธรามบังเวลาหมดแล้วแต่ธรรมบังยังมีคําถามข้อเสนอแนะหรือสิ่งใดๆที่ต้อกับทางรายการมาได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรสนียบัตดมาที่วัดป่าดอนหายโศเลขที่1 ห, หมู่8 ตำบลดอนไฮโซอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือว่าถ้าสะดวกทางเว็บไซต์ก็ p, com, p u r e t ร a m c o m p u r e d h a m m a com ข้าพเจ้าพระมหาภัยบูญอาพิปุโนจากวัดป่าดอนไฮโซเจริญป่อน